สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมนายทกรคนชอบเล่าช่วงนี้รู้สึกว่าจะมีปัญหานิดหนึ่งครับเนื่องด้วยงานที่ผมตั้งใจทําตั้งใจถ่ายทอดได้ถูกขโมยไปจะด้วยเหตุผลประการใดก็ตามแต่ผมไม่โกรธครับเพราะผมเชื่ออยู่เรื่องหนึง่งทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วและก็ขอประกาศว่าผมมีแค่ช่องเดียวครับนากรณ์นคนชอบเล่าอ่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เรามาฟังเรื่องราวจากท่านสมาชิกกันต่อดีกว่าครับ เรื่องราวที่ผมจะถ่ายทอดนี้ผมได้รับมาจากคุณกฤษศดาเที่ยงเดชท่านสมาชิกของเราผู้มีน้ำใจได้กรุณาแบ่งปันเรื่องราวของคุณกฤษดาก็มีอยู่ว่าถ้าจะว่ากันถึงผีกงกอยที่ชอบรูปไหล ย, ย้อนถวาวรมนุษย์อย่างพวกเราอาจจะเรียกแบบเข้าใจง่ายๆว่าพูดซึ่งพูดนั้นก็มีทั้งดีและชั่วผีกงกอยนั้นถือได้ว่ามันมีทั้งสองอย่างในตัวเดียวกันไม่สามารถจะแยกออกได้ว่าตัวไหนดีตัวไหนชั่ว ต, ตามความเชื่อตามการนั้นก็เชื่อว่าผีกองกอยนั้นในหนึ่งตนมันรวมกันหมดทั้งชายและหญิงไม่รู้ที่มาชัดเจนว่ามันมาจากไหนแต่ก็แอบเชื่อกันอย่างลึกๆว่าพวกมันนั้นสืบเชื้อสายมาจากรากสดหรือยักษ์จำพวกที่ตัวเล็กๆเพราะมีลักษณะการกระทําแบบเดียวกันเมื่อพวกเรารู้จักพอสังเขตแล้วเราก็ไปฟังเรื่องราวที่เกี่ยวกับมันเลยดีกว่าเอาล่ะด้เวลาเลือยินทองเดี๋ยวจะคัมปู่ตัดบทลุงยินทันที ก่อนฉันไปสั่งพวกหมาหมู่ให้เมากันต่อไปพวกแกกินกันต่อเถอะพ่อยิ่งงงเมื่อถูกเรียกชื่อปู่ด้วมปลี่ตัวออมาเรียกพ่อและลุงยินไปหาใกล้ใกลยินไปเตรียมของถ้องเอาเปืนไปด้วยแล้วมารอตรงนี้เข้าใจไหมครับลุงยินรับพ่อเอาตามลุงเพราะงงงงไม่รู้ว่าไปไหนแต่ต้องไปเตรียมปืนตามคําปู่พ่อเดินไปหาแม่ที่อยู่อีกลุ่มและก็บอกแม่ให้คืนนี้ไปนอนที่บ้านป้าคือภรรยาของลุงคงซึ่งเป็นเพื่อนเราสักคืนหนึ่ง ส่วนผมเล่นตามประษาเด็กที่ไร้การศึกษาและพ่อก็เดินไปบ้านซึ่งบ้านก็อยู่ไม่ไกลนักพ่อเอาปืนเอาของมายืนรอก่อนเห็นไอพวกหมาหมู่เห่าข่มเพราะกำลังเมาได้ที่เล่าสาโทหมดไปหลายไหยเสียงเริ่มเอะอะพ่อคอยสักครู่ลวงยินก็เดินมาเอาปืนสะพายบ่าแบกย่ำสะตุงอีกมือถือศาสตร์ก็คือเสือมาด้วยพ่อมองก็แปลกใจจึงไขข้อข้องใจทันทีเนี่ยเราจะไปไหนเนี่ยลุงพ่อถามอย่างสงสัย ผันได้รู้คําตอบปู่ด้วงเดินมาพอดีเอาย่ามมาสองใบนั่นยิ่งทําให้พ่องงเต๊กแกเอาย่ามนี้มาจากวัดก่อนหนะ้าอีกใบเป็นของแกไปขอเข้ามาลวงยิงกระซิบบอกพ่อความรู้สึกพ่อตอนนั้นอยากต่อต้านแต่อีกใจหนึ่งก็อยากไปใจกับสมองมันตีกันนัวเลยรู้สึกเหมือนอยากจะแยกร่างซะตรงนี้เมื่อปู่ ด, ด้วงมาถึงก็เรียกป้าแล้วเราก็เดินฝ่าช่วงเวลาสีท เ, ทาเทาเข้าป่าทันที ปู่เดินนําหน้าก็จำเอาจำเอ า, เอากลัวมันจะมืดทําไมเราไม่เอาตะเกียงมาด้วยล่ะพ่อถามปู่ที่จำจนรีบจนเดินตามแทบไม่ทันก็นนี่มันยังไม่มืดนี่ปู่บอกคําตอบนั้นทำให้พ่อใจหวิวคิดในใจมันก็เกือบจะมืดค่ําแล้วนี่อีกหน่อยก็ไม่เห็นทางปู่ด้วงเรียกลุงยินที่มีประสบการณ์และพ่อที่มีจิตแข็งกว่าคนอื่นๆไปด้วยกับแกจริงๆแล้วใจพ่ออยากจะขัดขืนปู่ด้วงแต่อีกใจก็อยากรู้ เมื่อดวงตะวันใกล้พลบวันนี้พระจันทร์ในปลายฤดูร้อนขึ้นดึกหน่อยเราเดินมาลึกและไกลพอสมควรจนจำไม่ได้ว่าเคยผ่านมาแถวนี้ปู่ด้วงก็มองหาที่ที่พอจะทำพิธีได้โดยเลือกพื้นที่โล่ง ม, มีต้นไม้รอบๆตรงกลางเป็นลานนัตตรงนั้นใบไม้ไม่ค่อยมีเพราะเปลือกสลายและถูกลมพัดเกือบหมดแล้วปู่เสือตรงนี้ยินปู่ด้วงสั่งลุงยินอาปืให้พ่อถือจากนั้นก็จัดการปู่เสือ แล้วเราทั้ง3มคนก็ได้แต่นั่งคอยเวลาเงียบๆโดยไม่ได้คุยอะไรกันเลยบรรยากาศรอบตัวกับพวกเรานั้นนอกจากสีดำๆและความเงียบข้างล่างเันยอดไม้มีดาวส่องแสงรีบรรยับเมื่อได้เวลาปู่ดวงก็จุดเทียนหนึ่งดอกปักไว้พอมีแสงเทียนพ่อก็เห็นปู่เอาผ้าขาวชิดบ่าไหว้ชายลงจากนั้นก็นั่งคุกเข่าและพนมมือลุงยินและพ่อเอาปืนวางไว้ข้างหน้านั่งพับเพียบพนมมือตามปู่ดวงสั่ง เคยทำมาแล้วใช่ไม่ยินปู่ด้วงทําลุงยินครับลุงยินตอบงั้นจัดการให้ข้าทีพูดเสร็จปู่ดวงก็ยื่นย่ามอีกใบให้ลุงยินรีบคว้าปืนรับของและแบกย่ามตัวเองลุกเดินหายไปในความมืดทันทีทิ้งพ่อให้เฝ้าปู่ด้วงคนเดียวและปู่ด้วงก็พูดโดยไม่หันหน้ามามองจากนี้ฉันจะทําพิธีไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่าตื่นละท้องไม่ต้องกลัวไม่ต้องทําอะไรนั่งเฉยเฉยเดี๋ยวยินมันก็มา พ่อพยักหน้าแทนคําตอบแต่ในใจนั้นเริ่มหวัน่นจะว่าไม่สนิทปู่ด้วงหรือไม่เสื่อฝีมือก็ไม่ใช่แต่พระอยากให้ลุงยินอยู่ด้วยมากกว่าและวปู่ก็เอาไม้ขีดจุดเทียนเล่มเท่านิยวมือเราถือออกไปแสงเทียนเรืองรองทั้ง4จุดถูกปักลงดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดพอดีสามคนนั่งได้ปู่ด้วงเอาผ้าขมา้าปู่ผืนด้านหน้าแกเอาทูบเทียนขี้พึ่งจํานวนหนึง่งออกมาวางไว้เอาดอกไม้สําหรับไหว้พระมาสามกิ่งเล็กๆ เอามีดหมอออกมาจากย่ามถัดนิ้วโป้งไว้พนมมือประกบท่องคาถาพึมพำเสร็จแล้วก็ดึงฝักออกแล้วก็ตัดไปในอากาศ3มทีเรียบร้อยใส่ขึ้นฝักวางไว้สายมือเอาทูปขึ้นมาเจ็ดอกจุดไฟให้ติดแล้วดับพนมมือทำปากขมบขมิบยกไหว้เสร็จออกไปนอกแสงเทียนเอาทูปไปปักรอบๆวงปักแบบเป็นหกฉากหกด้านรอบๆเราแล้วก็เดินกลับมานั่งที่เดิม ทูบไว้พนมมือทำปากขมก็มีปีกทีรอบนี้นานหน่อยแล้วลมก็พัดมาทำถินดับทั้งหมดความมืดเป็นเยยนทันทีพร้อมกับเสียงร้องอันคุ้นหูดังขึ้นฝั่งขวาพ่อแล้วก็ดังขึ้นอีกทางซ้ายปู่ด้วงท่องเป็นภาษาบาลียาวนานเสียงโดดตุบๆเข้ามาใกล้ใกล้ใกล้จนพ่อเย็นวาเหลือบสายตาไปทางซ้ายทีขวาทีตามเสียงโดดดังตุบ โคอแข็งทื่อการนั่งพับเพียรผนมมือผ่านให้ปวดหลังเอาดือ้อสักพักรู้สึกได้ถึงลมเย็นที่หลังเหมือนมีลมหายใจกึ่งแรงกึ่งเบามันวูบว่าลูบไหล่ที่หลังต้นคอรู้สึกหนาวจนสัน่นพ่อนั่งตัวแข็งทื่อผนมมือเสียงสวดมนต์ปู่ด้วงยังดังต่อพ่อก็ได้แต่นั่งผนมมือดิ้นไม่ได้จนปวดหลังเหงื่อการแตกเต็มหน้าผากจะว่ากลัวก็ใช่ ลมหายใจเมื่อครู่ลมเลียไปถึงใบหูลดลงมาแก้มขวาพ่อเกรงเปลือกตาหลับปีไม่รับรู้ไม่เห็นใดๆลมนั้นลมเลียแผ่วเบาไปตามแขนแล้วก็มีเสียงโดดไปข้างหน้าตรงไปหาปู่ด้วงพ่ออยากจะลืมตาแต่ก็เหมือนมีอะไรในใจบังคับไม่ให้ลืมจึงได้แต่หลับตาอยู่อย่างนั้นเนิ่นนานจนเสียงสวดมนต์ปู่ ด, ด้วงที่ดังเมื่อสักครู่กลับเบาลงเบาลง จนใจเอียงหูฟังเวลานั้นพ่อรู้สึกว่าตัวเองเหมือนนั่งอยู่คนเดียวเสียงสุดมนของปู่ดวงแผ่วเบาจนเสียงหายใจแทบจะดังกว่าใจอยากจะเปิดเปลือกตาขึ้นดูจนเปลือกตาสันดาริกมันเกิดอะไรขึ้นในตาใต้เปลือกตากรอกกลิ้งไปมาซึ่งมันมีแต่ความมืเสนิทอยากจะพยายามมองให้ทะลุเพราะมันอยากรู้อยากเห็นนักว่ามันเกิดอะไรขึ้นจนสุดขีดของหัวใจจะถี่ไปพ่อลืมตาสุดๆแล้ว สมองก็สั่งห้ามแบบเปรกหัวทิมจะลืมตาก็ไม่ได้สมองมันสั่งห้ามอย่างเอาเป็นเอาตายเวลาผ่านไปเงียบเป็นบรรยากาศแบบนี้ฉันไม่ได้ยินเสียงตู่มานานเท่าไรแล้วก็ไม่รู้เมื่อทุกอย่างเงียบและเนิ่นนานเหมือนไม่มีอะไรแล้วจู่ๆพ่อก็รู้สึกหนาวๆร้อนๆปวดหลังสุดๆแต่ไม่ขยับนั่งเกรงพนมมืออยู่ท่านั้นจนเป็นหินอาการปวดหลังปวดบ้นเอว บันทอนกายพ่อจนอยากจะงอตัวจะยืดตัวบิดสักนิดก็ทําได้แค่เพียงแค่คิดในหัวตัวไม่กล้าแล้วความรู้สึกว่ามีลมมาลมเลียมันก็กลับมาอีกหัวใจนั้นเต้นไม่เป็นจังว่าบีบตัวเองปวดๆพ่อพยายามคุมไว้ไม่ให้มันเต้นแรงแล้วก็รู้ที่ว่าทําใจให้เป็นปกตินั้นยากเหลือเกินเหมือนว่ามันอยากจะออกมาจากอกเพื่อเต้นโครมครามเจ้าลมนั้นไต่ขึ้นมาตามแขนมาตามข้อพับ ขึ้นมากล้ามเกือบจะถึงไหล่แต่ก็ไม่ยักจะมีเสียงโดดหรือว่าที่ผ่านมามันเฝ้าอยู่ตรงนี้ใจที่อยากจะให้ลืมตาเมื่อไม่นานนั้นสั่งนักสั่งหนาคราวนี้เริ่มสับสนลืมไม่ลืมลืมไม่ลืมพ่ออยากจะจับปืนยิงให้หายบ้าไปเลยแล้วก็เหมือนมีอะไรพยายามจะแตะขอลมนั้นบัดนี้มารถเอาตรงดังพ่อเกรงเบือกตาปิดให้แน่นลง และลมมันก็วนไปที่แก้มจนถึงหูซ้ายรู้สึกได้ถึงเสียงลมในรูหูดังฟูบฟูบเบาๆณเวลานี้ความรู้สึกกลของพ่อมันเริ่มจะเปลี่ยนเป็นอยากจะบ้าอยากจะเวียงหมัดออกไปรอบทิศเลยแต่ความคิดนี้ก็ต้องหยุดลงเพราะคําสั่งปู่ให้นั่งอยู่เฉยจึงต้องจําใจเฉยต่อไปจนมีความรู้สึกเพิ่มมาทางขวาพ่อรู้สึกมันถูกดอมดมทั้งใบหน้า หูตาและจมูกฟูตรงนั้นทีตรงนี้ทีรู้สึกเหมือนสิ่งนั้นมันมีหลายตัวตอนนี้อยากจะอลาวะที่เต็มที่มันอะไรกันนักหนาจากกลัว ก, ก็กลายเป็นโมโหขึ้นมาผีก็ผีเถอะแต่เสียงของปู่ด้วงกลับขลังกว่าแล้วก็ต้องทนหลับตาพนมมือต่อไปรู้สึกตัวอีกทีเจ้าลมที่มันลมเรียนั้นก็หายไปหมดแล้วมันหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่วะจากนั้นก็มีเสียงคลุกคลักคลุกคลักไกล พร้อมกับเสียงนั่งลงหนักๆแล้วเสียงปู่ก็ดังขึ้นว่าเสร็จแล้วทงลืมตาได้แล้วครับแล้วเรื่องราก็จบลงสงสัยใช่ไหมครับว่ามันคือตัวอะไรผมก็สงสัยเหมือนกันแต่ว่าในเรื่องก็ไม่ได้เห็นเพราะว่าปิดตาอยู่ทําไงได้ก็ปู่ไม่ให้ลืมตาอออีกอย่างหนึง่งทวาร น, นะเจ้าของเรื่องบอกว่าลมหายใจนะครับแล้วเราก็ไปกันที่เรื่องราวของคุณนัตกิจกันบ้างนะครับคุณนัตกิจเล่าว่า นี่คือเรื่องราวลี้ลับที่ผมได้ฟังมาจากตาสีตากองผมเองบ้านผมสมัยก่อนนั้นมีป่า ป, ปกคลุมอยู่ค่อนข้างทึบและทุ่งนาอยู่ไกลไกลเป็น10กิโลเมตรทางไปทุ่งนาเป็นป่าโศกปกคลุมทางเดินเป็นทางเกวียนเหมือนอุโมงก็ว่าได้สมัยก่อนไม่มีรถยนต์มีแต่รถเข็นกับควายและหมาเท่านั้นเองเรื่องของเรื่องก็มีอยู่ว่าตากองผมที่ชื่อว่าตาสีแกได้เดินทางไปที่ทุ่งนาเพื่อปลูกข้าวตามปกติในตอนเช้า อ้อนิดหนึ่งครับผมลืมบอกวัตสีของผมก็เป็นคนที่มีวิชาอาคมอยู่ไม่น้อยก็เป็นแบบตามประสา ค, ค น, นบ้านๆที่เคยเรียนมาจากอาจารย์เขมรตอนสมัยที่เป็นทหารผ่านศึกตาผมสร้างกระท่อมไว้กลางทุ่งตาแกจะใช้เวลาส่วนมากอยู่กับไร่กับนาเป็นส่วนใหญ่แล้ววันนั้นแกเล่าว่ากลับเจ็ดทุ่งนาก็เป็นเวลาค่ําแล้วก็ข้ามกว่าปกติก็คือว่าดึกเลยสายเหตุก็เพราะแกรอหญิงหนูอยู่กับหลานชายที่หาปลา ซึงอยงที่จริงแล้วก็ทําในเวลากลางคืนอย่างเช่นทุกวันขณะที่ตาผมกําลังยิงหนูอยู่ที่หัวหนาที่เป็นดอนปู่ตาอยู่นั้นก็รู้สึกได้ว่ามีสิ่งเหมือนคนเดินตามแก่ได้ยินก็หยุดฟังอยู่ครู่หนึ่งมันก็เงียบแก่ก็ส่องไฟหามองซ้ายแลขวาก็ไม่เห็นมีอะไรแต่แกก็ไม่ได้ถามหลานว่าได้ยินหรือเปล่าและมันก็น่าแปลกที่วันนั้นไม่มีหนูออกมาหากินแม้แต่ตัวเดียวตาผมก็เลยตัดสินใจกลับบ้านดีกว่า แกเดินกลับมาถึงตรงแม่น้ำที่เป็นสะพานไม้แกก็ได้ยินเสียงคนเดินตามมาอีกก็หยุดฝังตรงกลางสะพานอีกครั้งแกนึกในใจว่ามันต้องไม่ปกติแน่ๆไม่ว่ามันจะเป็นอะไรรู้สึกได้ว่ามันเริ่มตามมาจากดอนปู่ตาแน่ๆเมื่อรู้สึกอย่างนั้นตาสีแกก็เดินนําหน้าต่อไปแล้วก็ปล่อยให้เสียงนั้นตามต่อไปเสียงเดินตามก็ตามต่อไม่ลดละยิ่งเดินหนีก็ยิ่งตามพอเดินมาถึงทางเกวียนใกล้วัด เจษีแกก็ได้เก็บก้อนหินขึ้นมาเจดก้อนแล้วก็เศกคถาเป็นสำเนียงอีสานว่าพุทโธเพิกทำโมเพิกสังขูเพิกพุทธโทธเอ๋ยพุทธโทธตัง้งบัดยางย่าวตามสามพุทโทธมะบังตาเขตห้าร้อยเปรดยาบะผัวต้นกูพุทโทธบังหลังพุททั้งบังหนาข้าพระเจ้ายูกลางพระบังยูกล่าวพระเจ้ายูหัวจากนั้นแกก็โรยหินรอบตัวแล้วแกก็ตะโกนขึ้นว่า มึงไม่ยอมอยู่แบบถามใครทางมันฉช่ไหมแล้วแกก็หันกลับไปเผชิญหน้ากันกับสิ่งที่ตามมาจากนั้นแกก็เริ่มวิ่งไล่อะไรสักอย่างจนเหมือนมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งกระโดดลงน้ําเสียงดังตมูมแล้วแกก็หันมาถามหลานว่าเห็นมันไหยตอนมันวิ่งหนีเนาะนี่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อส่นบุคคลนะครับก็สองเรื่องแล้วที่ไม่ได้เห็นอะไรแต่รู้สึกได้ผมไม่ได้แกล้งนะโอ้ลืมบอกครับจบแล้วครับเรื่องนี้ ทีนี้ไปที่เรื่องราวของคุณสรัอยู่บ้างนะครับถ้าสมาชิกอีกท่านหนึ่งมาฟังกันซิจะเป็นยังไงคุณสรัอยู่เล่าว่าสวัสดีครับผมชื่อสดอยู่จังหวัดชุมพรเรื่องที่จะเล่านี้เกิดขึ้นเมื่อสมปีที่แล้วซึ่งตรงกับวันสงกรานต์ผมและเพื่อนอีกคนนึงไปซื้อบุหรี่มาแอบดูดกันร้านที่ผมไปซื้อบุหรี่นั้นอยู่หน้าวัดพอดีอ้อลืมบอกครับเพื่อนผมชื่อตั้มพอซื้อมาเสร็จผมกับเจ้าตั้มก็เข้าไปดูดบุหรี่ในวัดกัน ณเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่ผมเพิ่งเริ่มดูดบุรีใหม่ๆเรียกว่าหัดนะ่ะและอะไรมาโดนใจเราก็ไม่รู้ทําให้ไปแอบดูดกันที่เมนอาจจะเป็นเพราะไม่อยากให้ใครเห็นเพราะพวกเราตอนนั้นยังเป็นนักเรียนช่วงเวลาขณะนั้นเป็นเวลาหกโมงเย็ยนแล้วเมื่อทําภารกิจดูดบุรี่กันเสร็จเราก็จะกลับบ้านกันแต่พอเราสตาร์ตรถมอเตอร์ไซค์มันก็ไม่ติดพอเปิดถังดูก็ปรากฏว่าน้ํามันรถมันหมด มันจบกับเวลานั้นท้องฟ้าก็กำลังมืดลงแต่เราก็ไม่ได้สนใจอะไรกันตัดสินใจเดินไปซื้อน้ำมันกันไอขาไปมันก็ไม่มีอะไรแต่พอขากลับมาถึงที่รถนั้นมันน่าแปลกรถมอเตอร์ไซค์ของเรามันเลื่อนไปจอดอีกที่หนึ่งตอนแรกเราจอดไว้ที่หน้าเมนและตอนนี้มันกลับไปจอดอยู่ข้างหลังและมันก็มืดแล้วด้วยผมกับเจ้าตั้มมองตากันโดยอัตโนมัติความเสี่ยงสันหลังมันเกิดขึ้น มันรู้สึกเย็นยังไงก็ไม่รู้เรามองหน้ากันแล้วก็กำลังจะเดินไปที่รถแต่แล้วเราก็กลับได้ยินเสียงเหมือนมีคนกำลังสตาร์ตรถอยู่เฮ้ย hey, ใครวะและอะไรเราทั้งสองคนยืนนิ่งอยู่ครู่หนึ่งจ้เสียงสตาร์ตรถก็เงียบไปเราก็เลยเดินเข้าไปที่รถกันต่อแล้วสายตาเราทั้งคู่ก็มองเห็นสิ่งสิ่งหนึ่งเป็นเงาดำๆคล่อมอยู่บนรถมอเตอร์ไซค์อึง้งทึ่งเราทั้งสองคนตกใจกันมาก ระบบอัตโมติเปิดขึ้นก็คือเราวิ่งเกินป่าราบทันทีถึงแม้ไม่มีป่าก็ช่างวิ่งแบบลืมเหนื่อยวิ่งแบบไม่คิดชีวิตเลยทีเดียวเมื่อวิ่งมาได้สักพักในระยะหนึ่งเราหันกลับไปดูเครื่องหลังกันคิดว่าน่าจะผลแล้วแต่กลับปรากฏว่าเงาที่เราเห็นนั้นตอนนี้มันกําลังลอยตามเรามาและพวกเราก็ตะโกนกันลั่นผีหลอกแล้วเรื่องราวก็จบลงอีกแล้วครับเอะผมคิดไปเองหรือเปล่าก็ไม่รู้เกิดความรู้สึกระแวงว่าจะโดนดา ราะว่าคลิปนี้มันช่างลึกลับและซับซ้อนเหลือเกินเอาจริงๆแล้วเรื่องแรกผมก็คิดว่าเป็นกองก้อยนั่นแหละมันกระโดดได้เรื่องที่2ก็คงจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งแหละที่มันกระโดดน้ําลงไปส่วนเรื่องสุดท้ายต้องเป็นผีเจ้าที่เมนแน่ๆสาเหตุของการโดนหลอกก็อาจจะเป็นที่ดุดบุรี่และไม่ยอมแบ่งก็เป็นได้ลอเล่นนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณทัานสมาชิกทั้ง3ท่านนะครับ ที่ได้กระโดนาแบ่งปันและแชร์เรื่องราวสนุกสนุกให้พวกเราฟังส่วนการแ่ายทอยคำพูมผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็ขอให้พวกเราไม่เจ็บไม่จนสมหวังดังตั้งใจทุกประการในทางที่ถูกที่ชอบนะครับอุดมด้วยสติปัญญายในการดรํารงชีวิตเป็นที่รักของคนที่เรารักและรักเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ